สบายนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดก็เข้าใจอยู่มาพูดธรรมะตอนบ่ายๆในถามกลางความสุกสนานจากฟุตบอลโลกก็เลยเห็นว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ใครนั่งตามสบายเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโลกเราทุกวันเนี่ยมันว้าบุ้นก็ทำให้จิตใจคนเนี่ยมันชักจะสับสนก็งคนมีอาการเคร่งเครียดฟุ้งซ่านใจคอไม่ค่อยปกตกิ มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะจิตใจที่เคร่งเครียดไม่ปกติเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยทำให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปเนี่ยมันเริ่มจากสุขภาพจิตก่อนเนี่ยกระแทำให้เราหมดเรี่ยหมดแรงนะ เ, นเวลาเราเครียดมากๆคิดมากๆ วิตกกังวลอะไรขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูเลเราจะรู้สึกเหนื่อยมาเริ่มจากเหนื่อยใจเหนื่อยเพราะใช้ความคิดความคิดเนี่ยมันมันมีสองสองด้านอีกด้านหนึ่งบางทีความคิดก็ทำให้เราเกิดปัญหาเราอยู่เชยสบายสบายใจปกติเนี่ยพอเราคลุ้นคิด เรื่องที่มันค้างคางใจเมื่อไหร่แล้วก็มันเริ่มแล้วจิตเริ่มแบกภาระของความคิดที่เป็นปัญหาตัวกันทันทีแล้วก็มันวางได้ยากมันจะเก็บไว้ในใจอยู่นานนะครุ่นคิดอยู่อยู่นานทีเดียวบางทีมันเป็นปัญหาที่ชวนให้แก้ไขแล้วเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยอะไร ก็ด้วยความคิดเองใช่ไหมความคิดมันก่อวอดจากปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาด้วยความคิดโอ้คิดสร้างปัญหาคิดแก้ปัญหามันก็คือความคิดอั่งนั้นแล้วความคิดเกิดขึ้นที่ไหนอ่ะที่จิตใจเราใช่ป ห, หมแล้วใครเหนื่อยใจเราวันเหนื่อยเนี่ยมึงทำให้เราหมดเลี่ยหมดแรงโดยที่วันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะมันทำไมถึงเหนื่อย จิตของเราเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยมันว่างเปล่าแล้วก็เบาสบายเรียกไรน้ำหนักจิตเดิมแท้นี่มันไร้น้ำหนักมันผ่อนคลายอยู่แล้วในตัวแต่พอจิตเริ่มปรุงคิดเท่านั้นเองเห็นห <c oughs> เพียงนิดเดียว <c oughs> จิตมันก็ต้องแบกพระอะไรบางอย่างเป็นภาระบางอย่างที่จิตจะต้องแบกเอา แม้ว่าสิ่งนั้นเป็นความคิดที่ดีก็ตามนะคิดดีเหนื่อยไหมลองคิดไม่หยุดเลยโอเ้เราคิดดีทั้งอะไรนะแต่คิดนานก็เหนื่อยมันแบกภาระก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหมดแรงเหมือนกันนะพราะจิตหมดแรงร่างกายก็ไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนไหวล่ะ 1>, 1กิโลกับนุ่นหนึ่งกิโลนี่มันหนักเท่ากันไหมอ่าเท่ากันนะนุ่นกระป๋องหนึ่งหนักไหมหนักนะเพราะนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะพิงมีแค่นิดเดียวถ้าเราจะต้องไปชื้วไปแบกเนี่ยมันก็ต้องมีอาการหนักจิตเราก็เหมือนกันนะพราะร่งการทําให้จิตว่างเนี่ย มันทำให้จิตกับสุขสภาพเดิมแท้ที่เบาสบายสุขภาพจิ ต, จตดีเขาเริ่มมีเพราะที่ผ่องใสนี่เรื่องของจิตล้วนๆจิตที่ผ่องใสคือจิตที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่ว่าเรื่องของจิตเนี่ยมันจะเป็นต้องปรุงจิตมันต้องคิดเปน็นหน้าที่ของเขาแต่การคิดนั้นถ้าคิดแบบความหลง หลงหรือเรียกว่าอาวิชชาก็ยึดเอาความคิดเป็นเรา <c oughs> จิตก็ต้องแบกภาระความเป็นลายหนักคือมีการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนถ้าจิตคิดแต่ไม่ปรุงเป็นตัวตนเนี่ยมันไม่หนักเลยนะคิดก็คือคิดจิตก็คือสิ่งที่ยังว่างเปล่าเหมือนเดิมนะแก้วน้ำใบหนึ่งเนี่ยมันเป็นแก้วที่ว่างเปล่าซึ่งมันเป็นอยู่ก่อนแล้ว แต่พอเราเทน้ําลงไปเนี่ยแก้วยังแก้วยังเป็นแก้วอยู่ไหมน้ําก็คือน้ําแก้วคือแก้วมันมันรวมกันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันอาศัยกันอยู่จิตก็เช่นเดียวกันจิตปกติมันว่างแต่ก็มีความคิดเข้าจอนมาเนี่ยเป็นการปรุงแต่งเรียกเป็นอุปเกเรตปรุงแต่งจอนมาแล้วก็จอนจากไความคิดกับจิต เมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าขาดสติขาดปัญญาก็จิตก็ยึดติดว่าอ่อนในความคิดเป็นเราคิดนะเป็นตัวเป็นตนทั้งความคิดแล้วก็จิตรวมเป็นหนึ่งเดียวมันก็หนักตื้อแต่ถ้าจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเรียกสัมมาทิฏฐิมันก็จะมีการแบ่งแยกในตัวระหว่างแก้วกับน้ําจิตกับความคิดมันก็โคละอันกันแต่บรรอายที่เกิดขึ้นพอจะงงไหม ไม่ได้พูดให้งงเนะ่ย <Yeah. S 1> บางทีถ้าเราคุมคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีง่วงนะสังเกตไหมเวลาเราคิดเราไม่ค่อยง่วงนะ <Yeah. S 1> ถ้าฟังอะไรเพลินๆแล้วเดี๋ยวมันง่วง <Yeah. S 1> ก็ชวนใะห้คิดไปงั้นก่อน <Yeah. S 1> เอาแม่กรใจก็ก็ให้รู้ไว้ว่าแม่กระจายแล้วก็ปล่อยเลยไป <Yeah. S 1> อันนี้จริงนนเนี่ยเนี่ยใครที่เคยคิดว่าโอ้โลกรอนี้มันวุ่นวายนะโลก ม, มีแต่ความวุ่นวายไม่มีความสงบเลย นั่นแหละเรายังไม่รู้จักโลกที่แท้จริงธรรมชาติของโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องวุ่นวายไม่มีโลกไหนสงบหรอกมันเป็นธรรมดาของเขาโลกไม่มีความสงบได้โลกเป็นไปเพื่อความเสื่อมทาลายโลกคือความไม่เที่ยงถ้าเรามีชีวิตคู่กับโลกนะเรียกชั่วฟ้าดินสลายอยู่กับโลกตลอดไปเราจะรู้ว่าเราจะต้องแตกทาลายไปตามโลก โลกมันเสื่อมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยธรรมดาเขาจะสงบไม่ได้เลยโลกไหนสงบไม่มีหรอกนั่นมันเป็นโลกภายนอกถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่วุ่นวายไปตามโลกนะโลกก็คือโลกจิตเราจะไม่วุ่นวายไปตามที่จิตเราวุ่นวายเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของโลกก็เป็นอย่างนั้นเองคนเราอยู่ในโลกนี้นี่อาศัยอยู่ในโลก แต่ว่าเป็นทุกข์เพราะอยู่ในโลกเพราะไม่เข้าใจอย่างที่ท่านผู้รู้ท่างกาวไปว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่รู้จักดินไดยินคำนี้ไหมเนี่ยหมืนอนคนเราอยู่ในโลกเนี่ยไม่รู้จักโลกก็ต้องมีทุกข์มีโศกอยู่ในในโลกเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจโลก ถ้าเเข้าใจโลกตามความจริงแล้วเนี่ยเราจะสบายเลยนะผ่อนคลายโลกจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของโลกเขาแต่ว่าใจจะไม่เป็นทุกข์ไปตามจะไม่วุ่นวายไปตามโลกจะไม่สงบแต่ใจเราสามารถสงบได้สิ่งแม่ล้อมรอบตัวเราเขาวุ่นวายแต่ใจเขาสงบได้เพราะมันเป็นคนละส่วนกันใช่ไหมไไส้เดือนไม่รู้จักดินเนี่ยมันมันมีเรื่องเล่าว่าไส้เดือนเนี่ย ไหนคนวัยนี้ใครไม่รู้จักไสเดือนมั้สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักนะสมัยก่อนเนี่ยโอเ้เขาใช้ต ก, ตกปลากันไสเดือยไสเดือนดินเน่ะไส้เดือนเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในดินมันจริงกระหน่าำฉาไสเดือนนีนมีดินอยู่มากมายไส้เดือนเนี่ยมันมีความสุขที่ได้เลือ้อยคลานอยู่ในดินน่ะมันมีความสุขกับมันในตัวเลยเขามีเรื่องเล่าว่า ขณะที่เขาลังมีความสุขเนี่ยคือเขากลัวความสุขเขาจะหมดไปนะเหมือนคนเรานะเรามีความสุขนี่มันจะมันจะหวงกลัว <c oughs> ความสุขจะหมดเนี่ยตอนแรกก็หาหาความสุขแล้วก็หวงความสุขแล้วก็ห่วงกลัวจะหมดหาหวงห่วงนี่แหละ <c oughs> ทาให้ใจคนเป็นทุกข์เนี่ยไส้ยดเดียวก็เหมือนกันนะมีความสุขอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยกลัวความสุขจะหมด กิดความไม่ตกกังวลมาไปชุมกันเอถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยดินหมดเนี่ยพวกเราชาวไส้เดือนจะอยู่อย่างไรมันก็คิดนะโอ้อนาคตเนี่ยถ้าดินหมดเนี่ยจะอยู่ยังไงเนาะไส้เดือนเป็นทุกข์เพราะกลัวดินหมดเนี่ยเพราะไส้เดือนไม่รู้จักดินแล้วกาวิจ ก, กังวลล่วงหน้ามันคล้ายๆกับชีวิตคนเรานะ คนเราเนี่ยปัจจุบันมีความสุขดีอยู่แล้วแต่พมออนาคตปับ๊บโอ้โหอนาคตตั้งแต่พนี้ไปเนี่ยตอนนี้หิมะมันละลายนะน้ำจะท่วมโลกเราจะหาโลกที่ไหนอยู่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยสุขปัจจุบันดีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอยังไปหาเรื่องวิตกกวนในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นมาทับถมใจให้เป็นทุกข์เหมือนไส้เดือนกลัวดินหมดนะ่ะ <c oughs> บางคนก็ทุกปัจจุบันก็พอแหงอยู่แล้วยังไม่พอนะไปหยิบเอาทุกข้างหน้ามาเออเอามาทับถมปัจจุบันให้มันทุกข์หนักเขาไปอีกดีคว้าอดีตมาอีกนะแมเรื่องนั้นมันข้างขาดใจนะเก็บเอาเรื่องเก่าๆของเน่าๆมาอุ่นกินในปัจจุบันโอทุกอดีตทุกนาคเดินไม่ได้แล้วคอตก สู้จับกลางไม่ได้เราอย่างนี้นะจับกลางแบกข้าวสารวันนี้ก็จบวันนี้รับเงินเสร็จจับกลางเมื่อไหร่ไปทุกว่าโอ้โหพรุ่งนี้ต้องแบกข้าวสารต่อนะวันนี้แบกแค่อันเดียวพรุ่งนี้แบกอีกอันหนึ่งแบกข้าวสารไปถึงพรุ่งนี้นะนึกถึงกังวลพรุ่งนี้จะต้องแบกข้าวสารไหวไหมและแบกข้าวสาร2วันเลยซึ่งพรุ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นแบกวันนี้ไม่มีพอไปทุกหน้าาจับกลางไม่ทําอย่างนั้นจับกลางก็แบกวันนี้ก็จบวันนี้รับเงินเสร็จก็ เอาเงินไปใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลถึงอนาคตเดี๋ยวเหมือนใส้เดือนเรื่องอนาคตเอาไวท้ทีหลังเอาไว้ค่อยเจอกันดูซิมันจะเป็นยังไงดูซิดูซิเนี่ยมันต้องกลา้าที่ว่าถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรดียจะอยู่กับมันได้ไหมมันจะมีการแก้ปัญหาไม่ต้องไปกังวลหรอกวันนี้อยู่ให้มีความสุขกันดีอยู่ละฮะ เนี่ยเขาเรียกว่าคนแบกอดีตแบกอนาคตคือแบกความคิดอหะใช่ไหมถ้ามันคิดสิ่งอะไรนี้ไม่เกิดขึ้นเราความกังวลเกิดจากความคิดทั้งนั้นสําคัญนะตัวความคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาที่เราไม่ได้เชื่อเชิญถ้าเราเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นทุกข์เพราะอารมณ์เท่ากับเราแบกความคิดแบกอารมณ์คือคนแบกโลกอะแบกโลกไม่ใช่ไปทําอะไรนะคือแบกความคิดตัวเองแบกอารมณ์ตัวเอง เรียกคนแบกโลกแบกโลกเนี่ยมันโอ้โหมันหนักมากเนี่ยนะแล้วหมอเงยคนทุกคนเดี๋ยเนี้แบกโลกกันไว้คนลนมุมเนะไม่มีใครไม่มีใครไม่เคยแบกโลกแบกโลกไว้โคลนมุมเพราะว่าเรายังยึดมั่นถือมัในความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่แล้วก็นคนแบกโลกแบกโลกมันหนักวันเนี้ยผมจะมาชักชวนให้พวกเราเนี่ยอย่าไปแบกโลกมันเหนื่อยอยู่ในโลกอย่าแบกโลก ให้อยู่ในโลกแบบคนดูโลกนะคนดูโลกนี่มันไม่เหนื่อยนะเป็นคนดูโลกและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกตามหน้าที่ด้วยสติปัญญาที่รู้เท่าทันมันจะหาทุกข์มาจากไหนล่ะเพราะเราไม่แบกเราดูนี่ถ้าเราจะเป็นคนดูโลกเนี่ยช้วิธแบบคนดูโลกเนี่ยซึ่งมันเบามันไม่เหนื่อย ก็มีวิธีเดียวคือต้องมีสติสตินี่แหละมันเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นเครื่องมือสัมผัสชีวิตที่จําเป็น <c oughs> ในการอยู่ในโลกนี้สติเป็นเครื่องตื่นในโลกอยู่ในโลกนี่มันตื่นตัวมันไม่จมโลกไม่แบกโลกตื่นคาว่าตื่นคือออกมาจากสิ่งเหล่านั้นซะ ตื่นมาจากความหลับก็ออกมาจากความหลับตื่นออกมาจากความคิดออกมาจากความคิดเป็นผู้ดูซะแล้วเนี่ยจำเป็นมากนะสตินี่เป็นเครื่องมือสำคัญมากในการอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์สติหมายถึงความระลึกได้ความไม่หลงลืมตัว นี่คือสตินะภาษาบาลีก็ว่าสติภาษาไทยก็คือความระลึกได้ความไม่หลงลืมตัวสติคือความรู้เท่าทันกายใจกายกำลังทำอะไรก็รู้นี่คือมีสติแล้วใจกำลังคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็รู้อันนี้คือมีสติแล้วคือรู้เท่าทันต้องเอาตรงนี้ก่อน ส่วนคนที่ขาดสติอะถ้าเราพูดถึงเรื่องฝ่ายลบอีกด้านเนี่ยเราจะเข้าใจฝ่ายบวกเราจะรู้ยังไงว่าความสงบเป็นยังไงให้เรารู้จักความฟุ้งซ่านสิเราจะเข้าใจความสงบ <c oughs> เราจะรู้จักสติเป็นยงไงเราลองมาฟังเรื่องคนขาดสติดูคนขาดสติคนลืมกายลืมใจคือคนขาดสติ เวลามีอารมณ์มากระทบสมมติว่าเป็นอารมณ์โกรธมากระทบขาดสติไม่รู้ว่าเนี่ยจิตมันกำลังโกรธนะถ้าขาดสติรู้ตรงนี้ไม่ทันแล้วก็มันจะเกิดปัญหามันก็จะออกมาทางกายเห็นไหมทำร้ายข่าเขาเบียดเบียนก็ แล้วก็มีการออกมาทางวาจาพูจาพูดจ า, ดจาแบบไม่ค่อยไพเราะเาเรียกห อ, อกปากว่าเขาทางวาจาดุทางวาจา <Yeah. S 1> กายวาจาก็เรียบร้อยแล้วเขาผิดศีลแหละนะคนขาดสติก็จะผิดศีลคนมีสติไม่ผิดศีลหรอกทั้งฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหก ทำอัรรบายมูได้ทุกอย่างเพราะขาดสติเนี่ยเขาเรียกลืมกายลืมใจเพราะขาดสติในจำนวนสีลห้าข้อเนี่ยมีข้อไหนที่ถ้าขาดแล้วร้ายแรงที่สุดเลยมีข้อไหนโอ้สุลาสุลา ผิดข้อสุราข้อเดียวนะมันขาดสติปั๊บเนี่ยสามารถฆ่าคนได้ลักขโมยก็ได้เพื่อผิดในกางก็ได้พูดโกหกก็ได้ผิดแค่ข้อหข้อเดียวเนี่ยโอ้ลายการมา <Yeah. S 1> เคยไปคุยกับผู้ต้องขังผู้ต้องขังเนี่ยทันทัศ า, านวัยหนุ่มเนี่ยเคยเข้าไปคุยกับ เขามีความผิดสรพัดอย่างข้าคนก็มีลักขโมยก็มีจุดฆาตนาจาย์ก็มีพวกนี้ก่อนทำผิดเขาต้องดื่มสุราเพื่อย้อมใจให้เมาสุราแปลว่ากลา้าไม่ได้กลา้าหารชันใจกลา้าบ้าบินกลา้าบ้าบิน ต้องดื่มสุลายอมใจให้เมาก่อนแล้วก็สามารถทําได้ทุกอย่างเลยแม้แต่ฆ่าตัวเองตายเขาบอกก็าต้องดื่มสุราเกือบทุกรายผมเมาครับแล้วก่อนทำเมาทำไมถึงทำไม จ, งไมจึงคิดดื่มสุราให้มันเมาก่อนจะเมามันไม่เมามาก่อนใช่ไหมล่ะและ้วไปดื่มมันเมาทำไมสุราแปลวะ่ากล้าอสุราเพราะว่าไม่กล้าเพราะว่าสุลกายนะ มาพวกผีต่งตางๆในหลบซ่อนตัวกูเราก็จะเห็นอสุระอสุระอสุระมกล้าสุลามันเป็นน้ำเปลี่ยนนิ็นน้ำประทุษล้ายสตเยิเป็นน้ำนรกกินก็ไปแล้วสามารถทำทุกอย่างใจกล้าหน้าด้านก็เป็นสุลาร่างนั้นะข้อเดียวนะั่นนะเนี่ย ก็แสดงความยินดีนะที่นี่ไม่ค่อยมีใครดื่มสุลาหรอกเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้ขาดสติได้งนั้นอะ่ะที่จริงคุณของสติมีมากมายมันจะใช้เวลานานทีนี้ถ้าคนมีสติอ่ะผมพูดถึงจุดยอดเลยสติไปสู่ความดับทุกข์เลยสติเนี่ย มีคุณประโยชน์มากนะกระแสเหล่าใดเนี่ยบรรดามีในโลกนี้ที่เข้ามาสู่ชีวิตจิตใจเราเนี่ยสติสามารถกั้นได้หมดสิ่งนี้เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการเอ่อเรียกว่าอายตนะสัมผัสโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันสามารถกั้นกระแสเหล่านี้ได้นะ เป็นเครื่องกั้นกระแสสาคัญของชีวิตเลยสติทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นทำให้จิตมันตั้งมั่นถ้าขาศสติ่อย่างเดียวเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นหรอกสติทำให้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็พาปัญญาออกมาแก้ปัญหาชีวิตเฮ ดับทุกได้สติสามารถดับทุกได้เพราะสติเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญาตามมาสติรู้ทันอารมณ์ปัญญารู้แจ้งในอารมณ์ดับทุกได้สติเนี่ยสามารถดับทุกได้ที่ต้นเหตุเลยนะคือเอาชนะความหลงสติพาปัญญามารู้เท่าทันจิตใจที่มันคิดปรุงแต่ง ตัวตนเกิดจากความคิดถ้ามีสติแล้วตัวตนเกิดไม่ได้กิเลสโลภโกรธหลงเกิดมาจากความคิดถ้ามีสติแล้วโลภโกรธหลงเกิดไม่ได้เห็นสติสุดำคัญเลยนะเป็นตัวที่แก้ปัญหาชีวิตที่ต้นตอเลยที่ต้นเหตุเลยตัวสมุทัยเลยเนี่ยถ้ามีความคิดขึ้นปับ๊บถ้าไม่สติตามมาเนี่ยความคิดจะอยู่ไม่ได้ ความคิดก็จะดับเลยก็เลยหายหน้าหายตาไปเลยความคิดกลัวสติที่รู้เท่าทันแ เ, เครื่องมือเดียวคือสตนะิเราต้องมีการเจริญสติให้มากๆในชีวิตนี้ต้องมีการเจริญสติหลักของการเจริญสตินี้ก็ง่ายๆทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ลำบาก การฝึกสติเนี่ยหลักพื้นฐานเนี่ยคือถ้าเรามารู้กายเนี่ยสติรู้กายเนี่ยว่าเป็นพื้นฐานของการเจริญสติเลยนะมันรู้ง่ายเนี่ยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเห็นไหมอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยคือมีสติแล้วถ้ากายกับใจอยู่ด้วยกันนะี่ยคือมีสติแล้วกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจรู้ด้วยเนี่ยอันนี้จิตไม่เลื่อนลอยละอยู่กันเนื้อกับตัว เรียกว่าจิตมันมีเครื่องอยู่คือมีกายกําลังหน้าที่ทำหน้าที่มีเครื่องอยู่เนี่ยอันนี้คือธรรมชาติสติเนี่ยอยู่ที่นี่เราก็มีสติตรงนี้ได้เลยเนี่ยกายกําลังนั่งฟัง ม, มีสติรู้ถ้าไม่สติรู้แล้วว่าใจกับกายอยู่ด้วยกันเลยล่ะไม่แยกจากกันเรียกว่าจิตใจไม่เลื่อนลอยเวลานั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเนี่ย อย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆเยอะธรรมดาให้เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเรานั่งพลิกมือเล่นเคยลองไหมเนี่ยนั่งพลิกมือเล่นพลิกมือหงายก็รู้สึกพลิกมือคว่ำใจก็รู้นะมือพลิกไปใจก็รู้อย่านั่งเฉยเถ้านั่งเฉยใจมันจะลอยคือลอยมาฟังทั้งหมดเลยไม่รู้ตัวบ่าเรากำลังนั่งฟังนะเนี่ยคนพูดอยู่ทางนูน้นเรานั่งฟังทางนี้ เราสนใจมาที่คนพูดแล้วคนนั่งก็ลือนั่ ง, งพลิกมือเล่นรู้สึกรู้สึกเนี่ยฝึกสติแล้วนะเนี่ยบุญเหลือหลายเนี่ยเนพลิกมือความรู้สึกพลิกมงองายรู้สึกไม่งั้นใจมันจะลอยไปเพราะจะจิตไม่มีเครื่องอยู่ถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่มันก็ลอยไปคิดอะ่ะตอนนี้มาเอาเดี๋ยวหาเรื่องมาสู่ใจเรานะให้มันมีความทุกข์เล่น ถ้อยู่กับเนื้อตัวรับรองทุกไม่เกิดทุกเกิดเพราะส่งจิตออกไปนอกเนือ้อนอกตัวนะเนี่ยจะสัมผัสมือเล่นๆกันเนี่ยเอานิ้วมือสัมผัสกันรู้สึกตัวกำลังฟังรู้สึกตัวใช่ไมให้รู้ตัวอยู่จิตใจจะได้ไม่เลื่อนลอยนะพอมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นอย่าไปห้ามอย่าห้ามความคิดพอคิดแล้วก็รู้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะทิ้งไปแล้วกลับมารู้กายของเราเนี่ยเรามีฐาน ฐานการเจักรงติเนี่ยคือฐานกายเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแน่นหนามันมั่นคงกว่าคือมันมีหลักที่ชัดเจนอะนะเนี่ยจากประสบการณ์นะเนี่ยฐานกายเนี่ยมันชัดเจนมากมันมีที่ตั้งมั่นอะนีพลิกมือรู้สึกคว้ามือรู้สึกสัมผัสนิ้มือรู้สึกเนี่ยจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเรานี่ปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วจิตเราจะผ่องใสจะมีความสดชื่น ไอ้จิตไม่สดชื่นเพราะว่ามันหลงไปมันลอยไปคิดสิ่งนู้นสิ่งนี้ดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเพราะลืมตัวก็ทําเล่นๆไาคือทํำเล่นๆคือทํำอย่าไปเพ่งอย่าไปเอาจริงเอาจังรู้แบบผิวเผินผิวเผินเลือกผิวเผินเนี่ยมันไม่เครียดหรอกถ้าตั้งใจเอาจริงเอาจังเนี่ยนิสัยเราชอบเอาจริงเอาจังก็เลยเครียดสิไม่จริงจังอะไรโลกนี้ไม่จริงจังอะไรกับเราหรอกไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บ เวลาป่วยแค้ให่ยัยาหายมันก็ไม่หายนะ <c oughs> มันไม่จริงจังกับเราหรอกไปจริงจังอับมันทำไมทำเล่นเล่นสนุกใช้ชีวิตสนุกซะมางเราอยู่ไม่นานลแล้วตีเราก็ตายจากโลกนี้ไปทุกเปล่าๆอยู่ให้มันมีความสุขชีวิตเราเลือกได้นะมันต้องเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตของเราหรอกชีวิตเรามันต้องเลือกได้จะเดินไปทางสุขหรือไปทางทุกข์ก็ได้ถ้เดินไปทางคุกก็ ก็เกิดตายเติบไปแล้วตายเปล่ามีความสุขคืออยู่กับเนื้อกับตัวทํรายละเอียดทําทแบบผ่อนคลายสบายๆอย่าไปจริงจังนักนะการจริงจังคือความยึดมั่นถือมั่นนะทำหน้าที่ข้างนอกอย่างจริงจังแต่ข้างในนี่มีแต่การปล่อยวางปล่อยวางมันต้องมีชีวิตแบบนี้มันถึงจะมีความสุขตายไปก็มีความสุขฮะ รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้แบบผิวเผินเวลากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นรู้แบบผิวเผินอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้มันผ่อนคลายนัตจิตมันจะเป็นกลางไปเองเราบอกทำยังไงให้จิตจะเป็นกลางก็อย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับอะไรมันสิ <c oughs> อย่าไปบังคับความคิดอย่าไปห้ามความคิดให้รู้ผิวเผินรู้ผ่านๆ่านไม่อยังมองผมเนี่ยถ้าตั้งใจมองที่ตาผมเนี่ยมันจะเครียด ถ้ามองแบบกว้างๆเนี่ยโอ้มันผ่อนคลายมากเลยไหมน่ย <Yeah. S 1> ถ้าเพ่งมองเป็นโฟกัสหนึ่งเดียวมันจะเครียดมองกว้างๆการฝึกสติก็เหมือนกันรู้สึกรู้กว้าง ๆ, แ บ, ๆแบบดูๆแบบห่างๆสบายๆเ <Yeah. Yeah. S 2> นี่ยทำให้ต่อนเนื่องไปเถอะเวลานั่งอยู่ที่ไหนใจก็อยู่นั่นเวลาเดิน ใ, นใจก็อยู่กันอยู่การเดินเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ย ทำได้ตลอดตั้งแต่เช้าเย็นคำ่ำใหม่ๆอาจจะทําไม่ได้อาจจะทำไปยากก็ผมว่าเข้าใจนะใหม่ๆอาจจะลําบากหน่อยเพราะเราไม่เคยใช่ไหมเราไม่เคยชินอยู่กับการกายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นขยับกายใจรู้ทันเราไม่เคยทําอย่างนั้นเราไม่เคยขยับกายใจรู้ทันเราเคยแต่ขยับกายใจไปไหนไม่รู้กายกขยับเคลื่อนไปแต่ใจเลื่อนเราเราไม่เคยนะ นั่งตรงนี้โอ้โหใจอยู่นู้นอยู่ข้างนอกเลื่อนลอยไปนไี่ยกำลังดูทีวีอยู่ทรงจิตเข้าไปในทีวีแต่ลืมไปว่าเรากำลังนั่งดูอ่ะ ห, ห, หมดเนื้อหมดตัวไปกับทีวีเลยแต่ลืมไปเรากำลังนั่งดูมันเป็นอุบัิสัยว่าจะต้องดูต้องเพ่งแล้วมันก็เครียดสิเห็นหมบรรดาข่าวทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มันเครียดพอตอนนี้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรมันก็ผ่อนคลาย แล้วก็บน่นว่าวันนี้ทีวีไม่มีอะไรเลยมีโอ้ข่าวทีวีนี้ไม่มีข่าวเลยเลยโอ้โหข่าวเรียงเรียงลำดับเข้ามาเลยไม่มีข่าวเลยคือมันไม่มีการฆ่ากันนะตื่นเช้ามาไม่รอกอะไรเปิดทีวีดูก่อนโอ้วันนี้ไม่มีข่าวอะไรเนะพราะเราลืมตัวนะส่งจิตเข้าไปนั่นคือนิสัยของเราไม่ไม่ผิดนะมันเป็นมันนเป็เปิถีชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอก นะเวลาเดินไปไหนก็ไม่เคยอยู่อาการเดินเลยนะใจก็เลื่อนลอยไปไม่อยู่อาการเดินอันนี้คือขาดสติใช่ไหมเดินเราไม่รู้ว่าเราเดินอย่างไรหรแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรเราเดินจิตใจเลื่อนลอยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนคนละเมอเห <c oughs> มือนกายที่ไรวิญญาณ <c oughs> เวลานั่งทานข้าวก็ไม่เคยอยู่อาการการทานข้าวเลยอาหารก็อร่อยเนาะ แต่นั่งทานข้าวอยู่ใจเลื่อนลอยไปเป็นโครงการมากมายเนี่กินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอิ่มแต่ว่ากินโครงการอิ่มไปแล้วแต่โครงการไม่รู้รสชาติเลยเนี่ยเคยยกตัวอย่างว่าแม่นั่งดูทีวีนะกินโขแก่โขแก่โฆษณาโขแก่มันทุกเน็บมันทุกเม็ดกินยังโขแก่หมดแล้วไม่รู้ว่าโขแก่มันทุกเม็ดตรงไหนนะดูโฮ่งจิตไปข้างนอก ลืมล้วกําลังกินโข ก, กแก่มันทุกเม็อนะลองอยู่กับการกินดูบ้างดิมีสิรู้มันอร่อยนะอาหารแม้จะมันจะเซ็งจะชื่อแต่กินแล้วรู้สึกตัวเนี่ยมันอร่อยนี่มัวแต่ไปกินโครงการกินความคิดสมบูรณ์แหละอาหารอร่อยราคาแพงก็ไม่ก็ก็เรื่องสูญเปล่าเสียเปล่าอ่ะ กำลังอาบน้าก็ไม่เคยอยู่การอาบน้ำการอาบน้ำนี่มีความสุขนะโอเปิดฝักบัวน้ําเย็นๆฝักสูบมันมีความสุขมากลองมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวกับการอาบน้แนะี่มันมีความสุขนี่อาบน้ําอย่างนี้ ร, รีบให้มันเสร็จไปไวๆจะต้องไปแล้วเนี่ไปหาความสุขข้างหน้าพอถึงข้างหน้าก็ไปหาข้างหน้านูน่นนู่นเพราะก่อนจะตายอ๋อรอชาตินาอีกแล้วและโชคดีที่ไม่ได้เกิดอีกู อย่าไปรอความสุขในตอนข้างหน้าโอ้มันชีวิตลอมจะเดินหน้ามากเกินไปชีวิตที่ผ่อนคลายคือที่อยู่แบบสบายๆไม่เร่งรีบอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้สึกตัวเลยมันมีความสุขความเบิกบานก็นอยู่ที่กลางวันที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่แหละอย่าไปรอโอ้เดี๋ยวคําลงแล้วก็นอนแล้วได้พักผ่อนแล้วตอนนี้เราพักประกอนไม่ได้เลยถ้าตายก่อนนีถ้ถึงนอนเนี่ยคงมไม่ได้พักแนะ่นั่นเริ่มความสุขเริ่มจากปัจจุบันขึ้นไปนะ เราจะได้ไม่ต้องไปสแสวงหาแต่สแสวงหาแต่ความสุขหาแต่ความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขบ้างไปหาก็หาไปแต่สุขตรงนี้ขอเอาก่อนเออมันต้องอย่างนั้นก่อนนี่ก็เรียกฉวยโอกาสไปเอาความสุขอนาคตมาใช้ปัจจุบันใช้หมดอย่าไปรอความสุขในอนาคตบางทีมันไปไม่ถึงเนี่ยนะเบิกอนาคตมาใช้กับปัจจุบันให้หมดเลยรวมนั่งความสุขที่เรารอคอยด้วยเห็นไหม มันจะไปเป็นสุขแบบไม่ต้องแสวงอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขได้เพอาะนิสัยเราไปอย่างนั้นอ่ะไม่เคยอยู่กับเนื่อกับตัวชอบคิดปรุงแต่งอะไรไปเพราะนั้นใหม่ใหม่การปฏิบัติมันจะค่อยๆจะยากหน่อยอย่าไปทอแท้นะบางทีก็คิดมากบางทีมันคิดมากทําไมมันหลงรานเดี๋ยวก็หลงลืมสติไม่ค่อยเกิดนี่มันเป็นธรรมดาคนปฏิบัติเปนใหม่ต้องผ่านจุดนี้ถ้าใครผ่านจุดที่แล้วว่านั่นแหละจะ ใกล้ถึงพระนิพพานแล้วถ้าคนทําแล้วสงบปุ๊บสงบบ้างเปล่านั่นน่ะหลงแล้วหลงไปก่อนแล้วมันต้องเริ่มจากก้าวนี้เราอยู่อย่างไรต้องเริ่มจากก้าวจากปัจจุบันออกไปนี่เราปัจจุบันเราไม่ได้สนใจเลยเนระไปถึงอนาคตแล้วคิดเริ่มจากมันต้องมีการผิดมีการเผลอมีกรหลเป็นธรรมดาอย่าไปท้อแท้แล้วเราทําต่อไปเรื่อยๆเถอะ มันจะเกิดความชำนิชำนาญการกระตุ้ในที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็นเมื่อการหัดขี่จักรยานนะเอาหัดขี่จักรยานนี่ใหม่ๆเราขี่ได้ไหมไหนมีใครจับจักรยานปั๊บขี่ได้เลยเผมผมเนี่ยขีย่จักรยานครั้งแรกผมขี่ได้เลยนะผมไม่เคยหัดนะ ไลายฟังก็ไดนะ้คนแก่รุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนสนามหลวงเนี่ยโอ้มันกว้างใหญ่มากเขามีการจักรยานให้เช่าคันเล็กสองร้บาทคันใหญ่ห้าบาทเราเรียนมัธยมศึกษาโอ้คันเล็กก็ไปได้ต้องคันใหญ่ห้าบาทเล ย, เยจักรยานเขาชั่วโมงละห้าบาทนะที่สนามหลวงเนี่ยเมื่อก่อนก็เนี่ยฮัดสนามจักรยานที่แรกคือที่สนามหลวงเนี่ย เนี่ยขอรล่าใฟังเสมอ ว, ว่าการขี่จักรยานของผมไม่ได้มันง่ายนิดเดียวพอเริ่มเขาก็ตั้งเขาตั้งรถเอาไว้หันหน้าออกทางสนามจ่ายเงินเสร็จเราก็นึกภาพเลยอ๋อจักรยานก็ขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ปั่นไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นค่อมเลยขาขาตั้งไม่ได้ออกนะมันไม่เป็นนะครั้งแรกในะชีวิตเลยนะถึงก็ต้องมองหน้าบังคับจักรยานแล้วก็ปั่นโอ้ ปั่นออกไปเลยนะไม่ล้มนะจ่ายเงินเสร็จไปเลยนะเดี๋ยวกว่าสิ้นมาหมดชั่วโมงก็จะมาคืนพอไปสักพักหนึ่ง <c oughs> มันจอดไม่ได้ <c oughs> มันจอดไม่ได้มันมันขี่ไม่ไม่เนี่ยต้องขี่เร็วขี่ช้าไม่จะล้มมันไปแล้วเอ๊ะมันจะจอดอยังไงเนี่ยมันจะจอดก็ข้า <c oughs> งแรกไม่ล้มนะไปต้องนานะอยู่ต้างนามันเมื่อยแล้วสิหิวก็หิวมองไปเอ็ สมัยก่อนมันจะมีไอ้หม้อน้ําตาลสดเข็นไหมเขาวางขายแล้วมันจะต้องดิ่งไปทางนั้นไะด้วยโอ้มันจะเหมาหม้อน้ำตาลสดตั้งใจเบรกแล้วปะเบรกปับ๊บล้มล๊กเลยได้แผลแล้วขี่ไม่ได้เลยนะขี่แล้วล้มขี่ล้วล้มมันเริ่มขี่เป็นแต่ไม่เคยล้มมาก่อนเนี่ยมันลำบากอย่างเงี้ย นี่ก็เลยทั้งชั่วโมงเลยเพอขี่สองข้างล้มปุ๊บล้มจนานหลบถลอกปอกเปิือก บ, บ, บนนักแข่งผมหมดชั่วโมงตาขี่จักรยานเป็นแต่แผลเยอะมากนะฮ <c oughs> ัดใหม่ๆมันต้องล้มไอการล้มการขี่จักรยานน่ะมันเป็นการมมสอนให้เราขี่จักรยานเป็นใช่ไหมการล้มมันสอนถ้าไม่ล้มเลยเนี่ยเราขี่จักยานไม่เป็นเพราะฉะนั <c oughs> ้นการฝึกเตือนติใหม่ๆอ่ะถูกแล้วล่ะ มันต้องหลงมั่งลืมมั่งเผลอมั่งอย่าไปท้อแท้ถ้าท้อแท้หมดกาลังใจเนี่ยอะไรก็ช่วยไม่ได้งานทุกอย่างถ้าคิดท้อแท้หมดกาลังใจเนี่ยมันก็จะจบตัวงั้นมันจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนั้นกำลังใจความไม่ท้อแท้เนี่ยสำคัญมากอะไรก็ตามถ้าเราไม่ท้อแท้ไม่หมดกาลังใจนะมันก็ประสบผสลสำเร็จได้เหมือนกันการฝึกสติก็เหมือนกัน อย่าไปกลัวว่ามันทำไมจึงทำไม่ได้ทำไมอย่าไปกลัวนั่นหลักคือประสบการณ์เหมือนขี่จักรยานการล้มนะ่ะคือการสอนเราทีขี่จักรยานเป็นฝึกลงมั่งรู้มั่งเผลอมั่งคิดมั่งอะไรมันเป็นรสชาติของชีวิตนะ <c oughs> อย่าไปปฏิเสธอย่างนั้นอนีอ่นั้นฝึกฝึกในชีวิตจำบันให้เสมอเสมอทำให้ต่อเนื่อง แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฝึกสติบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยจิตมันจะมีมันจะเข้มแข็งมันจะมีพลังมันจะมีพลังและการเป็นแบบมันจะง่ายขึ้นความเป็นอัตโนมัติของสติมันก็จะเกิดขึ้นเองเพราะเราสร้างความเคยชินที่จะมีสติหลงไปก็กลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่หลงไปก็มาเริ่มต้นรู้ใหม่หลงไปก็เริ่มต้นรู้ใหม่สร้างความเคยชินสร้างเหตุปัจจัยสติมันมีสติให้มันรู้สึกตัวแบบนี้บ่อยๆ ต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอย่าไปอย่าไปท้อแท้หรือท้อถอยเสียก่อนนะการฝึกต้องอย่างนี้นะแล้วเราจะในระหว่างฝึกเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้มากมายถ้าเราฝึกสติเป็นแล้วเนี่ยง่ายแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะมีความรู้อะไรมากมายสอนเขาบอกเขาแนะนำเขาได้ทั้งนั้นนั้นอย่าท้อแท้ การมีสติรู้กายนี่แหละสติรู้กายนี่แหละจนชำนาญแล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะธรรมที่เกิดจากร่างกายเราเนี่มากมายพระไตรปิฎก8 4 0 0 0ื่นี่พันพระธรรมขันธ์ก็เขียนมาจากร่างกายเราทางนั้นแหละไม่ที่ไหนเลยการมีสติรู้กายบ่อยๆเนี่ยนั่นะมีพระไตรปิฎกให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยศีล ส, สมาธิปัญญาก็อยู่ที่กาย พอ ร, รู้กายเป็นานๆนเนี่ยมันจะมีสภาวธรรมหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือก็จะมีเวทนาใช่ไหมเริ่มเป็นสภาวธรรมแล้วมีเวทนามีทุกขเวทนามีสุขเวทนาเนี่ยเราจะไปติเตจทาไมเนี่ยคือสภาวธรรมนั่งนั้นเราจะรู้แจ้งได้กับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้จะเห็นรูปเห็นนามสติรู้กายจเจนรูปเห็นนามจะแยกรูปแยกนาม เราจะรู้ว่าอ๋อนี่กายนี่มันก็ส่วนหนึ่งนะนสติผู้รู้นี่คือจิตมันก็ส่วนหนึ่งน ะ, ะเห็นว่าจิตกับกายเนี่ยมันคนละอันกันแต่ว่าอาศัยกันเกิดขึ้นมันจะแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามรูปคือกายนามคือจิตเห็นรูปเห็นนามนะเริ่มมีสภาวธรรมเริ่มมีหลักของการปฏิบัติแล้วอ๋อจิตมันมีมันทาหน้าที่รู้ น, นี่ สติมันอยู่กับจิตทรหน้ า, าที่รู้กายนี่มันไม่รู้อะไรจิตนี่มันรู้อะไรได้อนี่มันจะถ่ายถอนความเป็นตัวตวนออกนะเหมือนจะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะเริ่มละโอชีวิตเรามีแต่รูปแต่นามความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ของรูปของนาม <c oughs> ความป่วยไข่เป็นเรื่องของรูปของนามต้งนั้นแหละมันจะส่งคืนธรรมชาติของรูปนาม ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเริ่มละจิตจะเริ่มเบาละเริ่มเห็นว่าอ๋อนี่ชีวิตเรามีแต่รูปแต่นามนะจิตเป็นนามเนี่ยเนี่ยกายเป็นรูปแยกกันแต่สายกันอยู่ทุกข์ของกายมันก็ไม่ใช่ทุกข์ของจิตนะเราเริ่มละเห็นรูปเป็นน้ำโอ้จิตนี่มันรู้นี่จิตมันรู้รูปเนาะนามันไปรู้รูปมันไม่มีเรารู้อะไรเนาะมันกลายเป็น ธรรมชาติที่เขาทากันเองเขาเรียกสภาวะธรรมเห็นรูปเห็นนามนอกจากจิตมันรู้แล้วเออจิตมันยังทําหน้าที่คิดเห็นไหมความคิดมาจากไหนมาจากมาจากกายหรือมาจากจิต <c oughs> โอจิตมันยังทําหน้าที่คิดเนี่ยไ อ, อ้ความคิดปรุงแต่งมันมาจากจิตเห็นไหมมันเริ่มเห็นความคิดละตอนแรกสติรู้การมันก็เห็นจิตผู้รู้ต่อไปจิตผู้รู้มันกลับไปคิดอีก กลายเป็นจิตผู้คิดเอมันจะเริ่มเห็นความคิดแล้วะ mm hmm. อีกรงเนี้สนุกเหมือนชีวิตเราเนี่ยมั น, ม, ม, น, ม, น, น, นมีมันมีคนสองคนเถียงกันอยู่ใครเคยสังเกตใจเราไหมมันมีคนสองคนเถียงอยู่ในใจเรานอีกใจนึงมันคิดดีคิดไม่ดีนะมันคิดไม่ดีแต่อีกใจมันสอนเอกให้อภัยก็เถอะอย่าไปโกรกก็เลยเคยสังเกตไหมมันเถียงอยู่สองคนอีกฝ่ายคิดไม่ดีฝ่ายคิดดี อมันเถียงกันนะนีมันคือความคิดท่างนันอ่ะมันมีจิตอยู่สองดวงในตัวเราอีกดวงหนึ่งคิดอีกดวงหนึ่งตามรู้เห็นั้ยจิตผู้คิดมันก็คิดปรุงแต่งเรื่อยดีไม่ดีต่างอีกจิตหนึ่งคือจิตทาหน้าที่รู้มันเกิดพร้อมกันไหมจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดมันเกิดพร้อมกันไหย ไหนใครก็ว่าเกิดพร้อมยกมือขึ้นอ่าหนึ่งละไหนใครว่าเกิดไม่พร้อมกันโอ้ใบนี้พานได้คนที่บอกว่าเกิดพร้อมกันนั่นเอาไปสวรรค์ก่อน <c oughs> ไม่ตลก <c oughs> ในอดีตตอบ <c oughs> มันเกิดพร้อมกันไม่ได้หรอกเพราะจิตเนี่ยทำหน้าที่ได้ทีละหนึ่งขณะถ้ามีจิตผู้คิดผู้รู้จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีจิตผู้รู้เกิดขึ้นผู้คิดก็เกิดไม่ได้เพราะมันเกิดสลับไวมากเกิดสลับเรานับไม่ทันมันเกิดดับเกิดดับเรานับไม่ทันถ้ามีสติจะทันเลยถ้าคิดเห็นไหมคนเราคิดฟุ้งซ่านสติไม่ค่อยเกิดมันคลองเนื้อที่ของจิตหมดแล้วถ้าคนมีสติ ความคิดไม่เคยเกิดโทษทีถ้าคนมีความคิดสติไม่เกิดเห็นไหมถ้าคนมีสติความคิดก็ไม่เกิดเหมือนกันเนีเพราะฉะนั้นให้เราฝึกสติบ่อยๆกินเนื้อที่ความคิดเอาไว้เนีให้ไอ้ก่อนู้สติเอาไว้รู้สึกตัวไว้จะกินเนื้อที่ความคิดในจิตใจเอาไว้ความคิดเข้าไม่ได้กินเนื้อที่จิตใจเอาไว้เต็มเลยนะถ้าความคิดเข้ามามันก็เข้ามาตัวเล็ก ถึงเข้ามาปั๊บสติก็รู้ได้ทันรู้ได้ทันมันต้องเข้ามาแน่ล่ะเพราะสติมันเที่ยงไหมเดี๋ยวมันก็ดับแต่ดับแล้วมันเกิดไว้นะดับแล้วเกิดไว้ดับแล้วเกิดไว้คนฝึกสตินะดับแล้วเกิดไว้ไอไม่ดับเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกโกหกมันดับแต่ดับแล้วเกิดไว้เพราะเราฝึกให้มันเกิดไว้เกิดไว้อย่างเงี้ยความคิดมันไม่ค่อยไม่ค่อยแทรกแต่ถ้าความคิดเกิดสติมันก็มาไว้เหมือนกัน มันพร้อมเดียผลักดันยึดพื้นที่คืนไม่ได้สติมันทำที่ยึดพื้นที่คืนโดยที่ไม่ทำลายความคิดนะไม่ทำอะไรไม่เสียเลือดเนื้อยึดพื้นที่จิตคืนมาเลยความคิดจะมามากน้อยแค่ไหนมันจะปรุงจนร่าว้อนเผาจิตเผาใจแต่สติมาแล้วมันเป็นน้ามาดับเรียบร้อย เคลียพื้นที่เป็นของสติจิตเป็นของสติจิตมีเจ้าของไม่เถื่อน <c oughs> เป็นหน้าที่ที่มีเจ้าของมอาคิดฟุ้งซ่านแปดบอบช้ำบ้างไม่เป็นไรหรอกแล้วก็สร้างจิตขึ้นมาใหม่ให้มันเข้มแข็งเสริมใยเหล็ก <c oughs> อย่างผมเนี่ยโอ้ไวรัสตับอักเสบซีมันกินเนื้อที่ตับ คุณหมอผู้ชาญฉลาดฉีดไวรัสตับซีเข้าไปเพื่อไปผลักดันไวรัสที่มันมันทําเออมันคืดคลองตับเพื่อจะยึดพื้นที่ตับคืนเนื้อไวรัสมันกินตับแต่มันไม่ได้กินผมผมไม่โดนไวรัสกินแต่ว่ามันกินตับผมสติเหมือนกันจเจริญมากๆเถอะนะ มันจะครอบครองจิตเอาไว้นะนั่นเวลาเราเห็นความคิดเนี่ยเห็นจิตใจปรุงแต่งเนี่ยมันเหมือนมีจิต2ดวงที่มันกาลังทำหน้าที่กันอยู่ดวงหนึ่งคือคิดดวงคิดดับ up เอาสติดวงที่รู้มันก็จะมันจะเกิดขึ้นมาสลับกันเพราะนั้นถ้าเราฝึกสติบ่อยๆแล้วเนี่ยจะแนะนำวิธีการดูความคิด ถึงคราวที่ต้องดูความคิดได้เวลาจิตมันคิดกินมาเราจะดูมันนยังไงโอ้การดูความคิดเนี่ยคำว่าดูเนี่ยคือการมีสติระลึกรู้รู้เท่าทันดูเนี่ยไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยความรู้สึกตัวให้รู้เฉยๆทรู้ดูด้วยจิตเฉยๆเป็นปกติไม่ต้องมีความคิดปรุงแต่งรู้เฉยๆความคิดอยู่ไม่นานหรอก พอจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยมันเป็นจิตกลางๆเราไม่บอกว่าทำจิตให้เป็นกลางถ้าทนจิตเป็นกลางเนี่ยมันไปทำทำให้เป็นกลางไปทำจะกลางไหมทางความสงบสงบไหมอย่าไปทำถ้ามีการทำเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็มีการยุ่งอะ่ะออก็รู้เฉยๆไม่ได้ทำนะรู้เฉยๆจิตที่เป็นกลางเนี่ยมันสลาย แลายความคิดผลักดันความคิดไปได้เมื่อเวลาคิดมาปั๊บเราก็รู้รู้ได้จิตปกติเป็นกาลางโดยที่รู้เฉยๆไม่ต้องคิดรู้แบบไม่ว่าอะไรนะรู้แบบไม่คิดรู้แบบไม่ว่าอะไรแลวความคิดมันอยู่ไม่ได้หรอกเราไม่บังคับเขานะเราไม่ยุ่งเขานะเราไม่บังคับเราไม่ห้ามเราไม่ผลักดันไม่บวกไม่ลบเรารู้เฉยๆเนี่ย ความคิดอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็หายหน้าหายตาไปเลยอยู่ไม่ได้มันก็ได้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับเลยพอมันคิดมาก็ไม่เป็นไรหรอกสติที่เราฝึกไว้เนี่ยมันจะเกิดตามไม่จะเกิดตามทันแล้วความคิดก็จะดับไปเมื่อความคิดดับทำยังไงมันถ้าไม่มีหลักให้สติอยู่เนี่ยมันจะลอยนะก็มารู้กายรู้กายเคลื่อนไหวกระดิกนิ้วเล่นนะมันต้องมีหลักให้อยู่กันนะคือรู้กายวะ เวลาความคิดเกิดก็รู้เฉยๆไม่ต้องผลักดันไม่ต้องไปทำอะไรพราะคิดก็จะดับไปแล้วกลับมารู้กายเห็นความคิดเกิดระดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเท่ากับเห็นธรรมนะเห็นธรรมคือการเห็นความเกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม นะเนี่ยดูกายก่อนนะดูกายแล้วเห็นรูปเห็นนามแล้วก็จะเห็นจิตเป็นผู้รู้รู้รูป ร, รู้นามพอสังเกตจิตโอ้จิตมันทำหน้าที่รู้อย่างเดียวก็ยังไม่ใช่มันยังทำหน้าที่คิดปรุงแต่งด้วยจิตเป็นผู้ผลิตความคิดก็เห็นจิตแมันก็ต้องเห็นความคิดซึ่งอยู่ในจิตเหมือนที่เราดูนาฬิกานะดูนาฬิกาดูนา น, านเถอ แล้วจะเห็นยี่ห้อนาฬิกาตอนแรเห็นรวมๆมาโอเห็นเข็มเห็นเลขดูนานๆเลยโอ้นี่ยี่ห้อสวิตเม็เห็นยี่ห้อนาฬิกาใช่ไหมเราดูอะไรดูนานๆเราจะรู้ว่าจะเก็บรายละเอียดมากมายเลยว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ในจิตการดูนานๆหยิบแก้วมาใบหนึ่งพลิกซ้ายพลิกขวาเราจะเข้าใจเรื hora, him, like them, oh, Nepal, ่องแก้วเรารู้กายนานๆเราก็จะเข้าใจเรื่องกายเข้าใจธรรมชาติของกาย อยู่กับกายแต่ไม่รู้เรื่องกายเนี่ยเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำอยู่กับจิตไม่รู้เรื่องจิตอืมันก็ถูกจิตมันขบกัดเอารู้เรื่องจิตโอ้อจิตดีมันไม่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่มีตัวไม่มีตนโอ้ทั้งกายทั้งจิตนี่มันเป็นเรื่องของรูปของนามของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกฮะเนี่ยโดวงตายนธรรมเลยนะเห็นจิตเห็นความคิดมันเกิดดับเนี่ย ในเรื่องดับทุกข์เพราะนั้นวิธีการเจริญสติจะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมก็ตามให้เริ่มต้นจากการฝึกสติบ่อยๆเจริญสติรู้กายไปบ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ให้มันชํานาญแล้วจิตมันจะตื่นรู้กายเพื่อจิตมันตื่นถ้าจิตตื่นจะเกิดปัญญามันจะเห็นความคิดเห็นจิตเห็นคิดน ถ้าเจารสติเห็นจิตคิดเท่ากับว่าเป็นวิปัสสนานะนได้ไหมคําวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้ง เ, เริ่มจากรู้กายเนี่ยพระจิตมันตื่นรู้ไหมมันจิตมันตื่นรู้บ่อ ย, อยเนี่ยกายเคลื่อนไหวมีสติรู้กายทำอะไรมีสติรู้แล้วจิตจะตื่นนะตื่นแล้วมันจะมีพลังมันก็จะไปเห็นจิตมันคิดเห็นความคิดต่างๆๆเรียกเรียกเห็นเป็นวิปัสสนาเห็นแจ้ง เห็นแจ้งคือเห็นกายเห็นจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือเห็นแจ้งเห็นกายศัแต่ว่ากายไม่สัตบุคคลตัวตัวเราเขานสติเห็นจิตสักท์ว่าจิตไม่สัตบุคคลตัวตัวเราเขานี่เป็นปัญญาเห็นกายเห็นจิตเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คืออนัตตาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเป็นแค่สมมติ นี่คือเห็นแจ้งนะเพราะนั้นเราต้องฝึกนะเราต้องมีการจิตสติทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบเพื่อจิตมันตื่นจะเกิดปัญญาจะรู้เท่าทาันกายจิตว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็เป็นที่สุดถึงความทุกข์จะเป็นนิพพานหรือเป็นอะไยเจ้าระดับไหนไม่สำคัญถ้าใจไม่ทุกข์ก็ใช้ได้แล้ว ไม่ต้องเป็นพระอริเจ้าก็ได้แต่ใจไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ละวปฏิบัติเพื่อความไม่ทุกข์ไม่ใช่เพื่อความเป็นสิ่งนู้สิ่งนี้ถ้าเพื่อความเป็นนั่นจะมีตัวตนอยู่เพื่อความไม่ทุกข์เนี่ยมันมันปลอดภัยกว่าจิตที่ไม่ทุกข์เนี่ยมันก็มีความสดชื่นเบิกบานไม่อยากจะบอกว่าความสุขถ้าเป็นความสุขมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ใช่ความสุขเป็นเรียกความอิสระเป็นความอิสระเหนือสุขเหนือทุกข์ นั้นเราต้องฝึกนะเนี่ยชาวคณะ A.A. พุทธธรรมนำทองเนี่ยฟังธรรมะแล้วตื่นมีความตั้งใจมีความกระหายที่จะเอามาไปไปฏิบัติเห็นไหมตั้งหัวข้อว่าดูกายเห็นจิตดูกิจิหนธรรมเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่หัวข้อธรรมดานะแต่ทุกคนก็ตั้งใจฟังแบบไม่หลับเลยเนี่ ย, ยแสดงว่าจิตถึงเนี่ยเาเรียกมีอุปนิสัยอ่ะ นั้นที่นี่มีการฟังทำปฏิบัติธรรมทุกเดือนเนี่ยบางทีนี่ก็นั่งสมาธิแผ่เมตตานี่เกษตรพุทธมาม ก, กาัตต้องทําแบบนี้ชาวุู้ที่แท้จริงเนีเพราะถ้าเป็นชาวุู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องฝึก <c oughs> ต้องปฏิบัตินะคือเรามีรูปแบบมากมายการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเนี่ยมีรูปแบบมากมายแต่และรูปแบบเนี่ยต้องเริ่มต้นในการฝึกสติทั้งนั้น ต้องฝึกสติเริ่มต้นและลงท้ายด้วยปล่อยวางไม่ยึดติดถึงจถูกต้องวิธีการฝึกสติเนี่ยมีหลายแบบบางคนอาจจะใช้แบบอาณาปานสติรู้ ล, ลมหายใจ <Okay. S 1> ก็ใช้ได้เป็นวิธีการฝึกสติเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งตัางกันการเดินจงกรมเดินจงกรมได้ไหมใครเดินไหม อไม่ต้องเดินให้ดูนะอผมเนี <c> ่ย <oughs> ผมเคยอดตลิหลายครั้งไป <c oughs> เดินไม่ได้นะแต่มีคนมาถามอาจารย์ช่วสอนเดินโยกลมลหอ <c oughs> บอกอ่ะไม่เวลารอโคสมาสปิคโคดไหว้น้ำเหรียญทองเจ็ดเหรียญยังไหว้น้ามไม่เป็นเลยไอ้ล้วก็เดินได้แนะนํำให้เขาเดินเขก็เดินได้ก็ เ, เดินถูก <c oughs> เขาก็เดินถูกอยากจะแนะนำก็วางใจถูกต้องเลยนะเนี่ยมันก็โอตลิบ้างแรืว่าผมเคยนะสมัยที่ผมฝึกปฏิบัติจลสติใหม่ๆอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อเนี่ยผมก็แอบดูพ่อเดินจงกรมแล้วแอบทําความรู้สึกตัวไปการเดินถึงพ่อแต่ละก้าวแต่ละก้าวแอบขโมยการเดินของพ่อมารู้สึกตัวกับใจเราพ่อก้าวอย่างนี้รู้สึกรู้สึกเราสามารถที่จะมันไม่รู้ไม่รู้ถ่ายทอดยังไงนะ พ่อเขาเดินโงกมุมเราก็แอบดูแล้วเราก็ทำความรู้สึกตัวว่านี่รู้สึกนะก้าวขวารู้สึกเท้ากับตพื้นเพ่งไปหน่อยนะเนี่ยจิตเรา เ, <c oughs> <c oughs> เพ่งก็รู้เลยนะตั้งใจดูพ่อเ ท, ท้ากับตพื้นมันเพ่งไปตะลว่าห่างรู้เบ า, เาจิตมันผ่อนคลาย <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นได้จริงนนะสังเกตดูพ่อเดินโยกมุมเราก็าแอบดูแล้วทําความรู้สึกตัวแบบการเดินท่านเราไม่ได้เดินเองแต่ว่าใจเราเดินเราก็นึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติที่กายหรือที่ใจ พัฒนากายหรือพัฒนาใจกันแน่เราไปเอาจริงกับการเดินท่าเดินหรือเอาจิงกับการพัฒนาจิตให้มันตื่นรู้แล้วก็เห็นแจ้ระดับทุกได้โอ้โนี่มันฝึกที่จิตนี่กายพิการเดินไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จิตนี่มันตื่นได้นีวันนั้นก็เคยแนะนำคนเดินจงกรมแล้วเาก็มาถามนะถามเราเราก็บอกอะ่ะ <c oughs> บอกการเดินจงกรม การเดินจงกรมแต่ละก้าวแล้วก็รู้สึกตัวไปกับการเดินรู้ตัวกับการเดินเดินในความรู้ตัวคือเดินจงกรมเดินเข้าออน้ำอย่างรู้ตัวก็คือเดินจงกรมเดินจงกรมทั้งวันถ้าจิตเลื่อนลอยทั้งวันสู้เดิน3าก้าวเข้าห้องน้ำรู้ตัวไม่ได้คุณภาพมากกว่าการปฏิบัติธรรมทั้งั้นที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่เอาปริมาณคุณภาพคือรู้พัฒนาจิตให้มันตื่น กิเลสไม่ไม่ได้เกาะที่กายกิเลสก่อที่จิต <c oughs> คือการพัฒ น, นาจิตเนี่ยต้องฝึกในรูปแบบให้จำนานรู้ลมหายใจก็รู้ไปเถอะจะเดินจงกรมก็ได้หรือจะใช้การยกมือเคลื่อนไหวสิจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนใครใครทำมั่งอ่าสิบสี่จังหวะงพ่อเทียนสิีจังหวะโอไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนเหรอโอ้หลว่อเทียนนี่ส่วนมากเขายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไห <laughs> หลงวงพ่อเทียนสอนเรื่องการเจริญสติท่านมีคนยกย่องให้ท่านว่าเป็นปรามาจารย์แห่งการเจริญสติท่านสอนเจริญสติแบบคล้ายๆกับเซนถ้าบอกท่านท่านเป็นพระเซนท่านยกมือสิบสีจังหวะขึ้นไว้สิบสีจังหวะเนี่ยเนี่ยสิบสีจังหวะก็พลิกมือรู้สึกยกมือรู้ เอามือเข้ามารู้พลิกมือซ้ายรู้สิยกขึ้นมารู้สิเอามือเข้ามารู้มีสติรู้นะเลื่อนมือขวาให้รู้สิเอามือมารู้สิลดลงมารู้สึกตัวความเลื่อนมือซ้ายให้รู้สิเอามือซ้ายมาด้านข้างรู้ลดมือลงมารู้สกความรู้สึกตัว สิจังหวะให้รู้เป็นขณะรู้สึกตัวให้มีสติเป็นขณะขณะจิตก็จะรู้กับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพ่งนะให้รู้เฉยๆรู้เฉย ๆ, ๆรู้เล่นเบาๆแตบบ่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่ห้ามความคิดแต่ให้มารู้สึก เ, เอาความรู้สึกมากินเนื้อที่ของจิตเลยความคิดปรุงไม่ได้ถึงปรุงมาสติมันก็รู้ทันอะ่นะสิบสจังหวะพลิกมือ เป็นจังหวะรู้เป็นขณะขณะจิตมันตื่นคาว่าตื่นคือตื่นออกมาจากกายนะตื่นมาไม่อยู่ในกายนะตื่นมาเป็นผู้รู้กายเพอตื่นจากรู้กายครับมันก็เห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งในจิตสติที่มันตื่นเห็นความคิดปับ๊บความคิดขาดกระเด็นเลยไม่ถึงหนังขาดปรุงต่อไม่ได้หยุดทำงานล้มละดายไปลำพพาดไปเลยความคิด เพราะสติมันเข้มข้นมากเพราะมันตื่นเน่ยจิตมันตื่นมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครเนี้ยดับทุกข์ได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากมายสี่จังหวะทั้งหมดเนี่ยคือรูปแบบแต่ผมสมัยก่อนยกมาเลยพอนอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายรู้สึกนอนเล่นนะ่ะนอนจระศีนะ่ะนอนมันก็มีหลายอย่างมีความหลับมีความเบื่อมีความอะไรแบบนั้นแล้วอยากจะพ้นทุกข์แล้วก็ทําไปพลิกมือเล่นเล่นไปมันก็ตื่นได้นอนจรติมันก็ตื่นได้น เพราะเรามันมีความรู้สึกตัวมีการเคลื่อนไหวมีสติมันก็ตื่นตื่นรูปแบบก็คือรูปแบบเป็นสิ่งที่อาศัยชั่วคราวเพื่ออะไรเพื่อฝึกให้จิตมันตื่นฝึกให้จิตมีพลังอันนี้เราทําเฉพาะตอนที่เรามีเวลาว่างเรามีเวลาว่างแค่ไหนแล้วก็ทำไปดูลมหายใจเดินจงกรมเจริญสติไปในรูปแบบจําเป็นนะจําเป็นต้องมีรูปแบบเพื่อจิตมันเข้มแข็งมีพลัง แล้ทีนี้พอว่าใช้ในยุคประวันแล้วสามารถมีสติในยุคประจําวันได้สบายสบายเลยสติจะเกิดขึ้นบ่อยมากเกิดขึ้นบ่อยจะมีพลังนะมันสอดคล้องกันถ้าทันเฉพาะที่ประจําวันยังไม่เพียงพอนะจิตยังไม่มีแรงยังไม่มีกําลังหรือแค่ฟังแค่นั้นก็จบอยู่อาการฟังก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ก็ยังเป็นมะม่วงเห็นมะม่วงแต่ก็ไม่ได้ปอกมะม่วงกิน เห <squared> ็นมะม่วงต้องปอกกินมันต้องมีการมีปฏิบัติให้มีขึ้นในเนื้อในตัวเราเป็นประสบการณ์เนี่ยให้สอดคล้องนะทั้งในรูปแบบหรือการใช้ชีวิตประจำวันเรานอกรูปแบบให้มันสอดคล้องกันทำบ่อยๆเถอะเก็บสะสมทีเล็กทีน้อยสติก็จะเจริญฝึกบ่อยๆนียลืมตาตื่นขึ้นมานี่ก็ให้รู้สึกตัวเลยให้มีสติรู้ก่อนเลย สัมผัสแรกของชีวิตด้วยสติชีวิตสัมผัสแรกเป็นชีวิตใหม่เนี่ยมันเป็นมงคลชีวิตนะเริ่มต้นมาคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่เป็นมงคลละถ้าตื่นมารู้สึกตัวป้าเนี่ยเป็นมงคลชีวิตวันทั้งวันเนี่ยชีวิตเราจะมีความเบิกบานสติจะเกิดคลอเ ค, คลียอยู่เรื่อยๆ เ, เริ่มจากสัมผัสแรกเราคิดก่อนหรือเรามีสติมาก่อนขอถามหน่อย คิดมาก่อนใช่ไหมให้เขามากินเนื้อที่ก่อนแล้วท้าวันทั้งวันนะคิดเออคิดไม่จบอนะ่ะน ะ, ะมาลุกทีตอนก่อนจะนอนโอ้โหนี่เราคิดแล้วสติเกิดครั้งเดียวทั้งวันนตื่นมามีสติก่อนรู้ตัวเนี่ยสมบัติแรกชีวิตเป็นมงคลเลยชีวิตใหม่เนี่ยแล้วแต่ละวันเนะ่ยแต่ละลุก แต่ว่าถ้ามีความคิดก่อนไม่เป็นไรนะให้รู้ตัวในความคิดสติก็ยังมาทันนะสติก็ยังมาทันไม่ใช่ว่าคิดแล้วแล้วไปเลยไม่ต้อง ม, มีสติแล้วคิดไปเลยไม่ประโยชน์ให้รู้ตัวบ้างรู้สึกตัวบ้างรู้ว่าเราคิดมันจะเป็นความคิดที่ผ่านสติแล้วเราจะคิดไม่ยาวแล้ว แ, แล้วก็ตามรู้ไปเอถอะจะทําอะไรก็รู้ตรงไหนก็รู้เถอะนึกได้ก็รู้นึกไม่ได้ก็แล้วไปนึกได้ก็รู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่นึกไม่ได้ก็แล้วไปฝึก ให้เห็นความสำคัญของสติสติจะเกิดบ่อยจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะให้มีสติอยู่ตรงนั้นด้วยนะมันจะเป็น เ, เรียกว่าเป็นบุญลายวันนะจบุญลายวันหมสตินี่เป็นธรรมะฝ่ายกุศล น, นะเป็นบุญลายวันเลยนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยก้าวเดินรู้สึกตัวเนี่ยโอ้โหเป็นบุญแลวอีกก้าวรู้สึกตัวนึงก็อีกบุญนึงแลนะนะ นะกินข้าลูกตัวนะจิตมันคิดโกรธมีสติรู้โอ้โหนี่มันเก็บเกี่ยวสติได้เลยบุญลายวันเลยนะอยู่ที่ที่ทำงานก็เก็บเกี่ยวบุญลายวันได้อยู่บ้านมีสติก็เป็นบุญลายวันได้กำลังขับรถถ้าสติเกิดก็เป็นบุญลายวันเก็บเกี่ยวเถบุญลายวันเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขตายไปก็ไปสู่สุขคติ ไม่ตายก็ยังได้เจริญสติได้มีความสุขมีโอกาสที่จะรู้แจ้งได้บุญรายวันถ้าเราไม่สร้างบุญรายวันด้วยการเจริญสิเนี่ยมันจะมีบาปรายวันเข้ามาแทรกนะ <c oughs> ตื่นเช้ามาก็เราจะไปกินอะไรไปเที่ยวไหนเอาเรามาลนะโลภรายวันบาปลายวันมานะฮนะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านกังวลหงุดหงิดเนะี่ยเจอคนนู้นก็บน่นเจอคนนี้ก็ว่านะเก็บเกี่ยวบาปรายวันนั้นนะ ไอ้ น, นี่ก็ไม่ชอบใจนั่นก็ไม่พอใจเนี่ยบ่นก็ได้ทุกวันเจอทุกวันก็บ่นทุกวันเหมือนกันทีกคนก็ว่าแหมแปลกจริงเธอในี่บ่นทุกวันของไม่แปลกแต่บ่นทุกวันเป็นนานบ่นทีนี่แปลกเนี่ยว่าคน น, น, นู้นบ่นคนนี้เนี่ยแหละบาปปลายวันแล้วก็ดูบาปพาไปไหนบาปก็สู่อบายบุญก็สู่สุคติแล้ววันทั้งวันเนี่ยเรา เก็บบุญอลไรวันหรือบาปหลายวันมากมั่นใจไหมบัญชีบวกราจะไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจต้องเจริญสติมากๆนะประมาทนะเนี่ย เ, ออเนี่ยเรารู้ไหมเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยโลกอะไรออจะช็อกเมื่อไรหร่ด้วยเพราะนั้นเรายัาไม่มั่นใจเนี่ยอย่าประมาทเรามีโอกาสแล้วเรามีเวลาอยู่โอกาสแล้วเจริญสติเก็บเกียว บ, บุญละวันไนดะ้ เมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปแค่มีความรู้ตัวเนี่ยใช่ไหมโอ้เนี่ยเราเราทำแค่หนึ่งเดียวนะทําแค่หนึ่งเดียวนะเราจะไล่น้ำํำขุนเนี่ยอย่าไปอย่าไปตักออกเอาน้ำใสเทเข้าไปเทเข้าไปน้ำใสเข้าไปไล่น้ําขุนจิตติบ่อยๆเนี่ยมันก็เก็บเกี่ยวบุญตลอดเวลาเลยนืบาปมันก็เข้าแทรกไม่ได้ทําแค่หนึ่งเดียว อย่าไปห้ามความโกรธอย่าไปห้ามความเครียดให้มีสติรู้ในความโกรธรู้ในความเครียดเราได้แล้วได้เก็บเกี่ยวบุญทันทีเลยโอ้เรามันกิเลสมากเรามันทุกมากไม่เกี่ยวกิเลสมากทุกมากมีสติมากมันก็ใช้ได้แล้วงนะั้นเก็บเกี่ยวบุญลอยปานเอาไว้นะชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวบุญลยานไม่มีสติเนี่ยเราจะมีแต่ความคิดปรุงแต่ง และความคิดเราเนี่ยเป็นไงมันคิดแต่สิ่งดีๆไหม <c oughs> ไอ้เรื่องดีๆไม่ค่อยคิดเราไอ้เลอทิากวิตกังวลเอามาคิดตั่งใจเป็นทุกข์อยู่เรื่อยวันวันทุกข์มากกระสุขในบาปรายวันเยอะเลยเนี่ยทุกข์เกิดจากบาปเนจิต ค, คิดดีๆมันไม่ค่อยคิดอ่ะนะมีอะไรเกิดขึ้นป้าเนี่ยมองในแง่ไม่ดีแล้วเสียงมอปแปรระเบิดปุ้มเอาลเลย <c oughs> ไม่ได้มองว่ามันเกิดอะไรเอา มองไปในแง่ร้ายก่อน น, นมันก็บาปนะเนี่ยเราคิดมากเนี่ยแต่เราคิดแล้วเราปล่อยวางได้ไหมเวลาเกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจแล้วปล่อยวางได้ง่ายไหมเนี่ยเราไม่ค่อยปล่อยวางเราจะคิดต่อเติมแบกเขาเรียกว่าแบกความคิดแบกโลกอยู่ดีแบกโลกคือแบกความคิดแบกอารมณ์ตัวเองอะมันจะไปโทษโลกข้างนอกเลยตัวเราเอง <laughs> มันไปแบกความคิดคําว่าแบกคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่ากายนี่เป็นเราจิตนี่เป็นเราความคิดเป็นเราเป็นเราทั้งหมดเลยนี่แนะคือเรียกแบกโลกถ้าจเจริญสติบ่อยๆเนี่ยมันไม่แบกโลกนะมันวางโลกเป็นผู้ที่ดูโลกดูโลกอยู่ในโลกแบบดูโลกและเข้าไปเกี่ยวกับโลกตามหน้าที่ด้วยสติปัญญารับรองทุก์ไม่เกิดอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข <c oughs> เจอความสุขบ้างไหมแต่ละวันหนึ่งเนี่ยหรือต้องแสวงหาสุขต้องแสวงนี่มันเหนื่อยนะอยู่ให้มีความสุขบ้างสิถ้าโมแต่แสวงหาเนี่ยมันจะเหนื่อยแสวงหาก็แสวงหาไปเถอะแต่ว่าเราอยู่ยังมีความสุขก็ได้บางทีไม่ต้องไปแสวงอยู่ก็มีความสุขแล้วไหนใครยังแสวงหาความสุขไม่เจอมัา <c> ง <oughs> อาอยากได้แนะนําสักหน่อยในช่วงสุดท้ายนี้นะให้เป็นเง่งคิดสหน่อยว่า บางทีชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความต้องการให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันได้ดังใจปรารถนาหรือสมบูรณ์แบบดังใจปรารถนาเราเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยเราอยากให้สิ่งนั้นได้อย่างใจเราเสมอๆซึ่งมันขัดต่อความเป็นจริงนอความจริงของโลกและชีวิตเนี่ยไม่มีแต่ความบกพร่อง ไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยในโลกเนี้ยคนที่ชื่อสมบูรณ์ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เลยฮ้ไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยยอมรับความจริงเถอะว่าในโลกนี้มีแต่ความบกคล่องอยู่เสมอเสมอให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนเป็นการตั้งหลักทุกจะไม่ค่อยเกิดแล้วก็รู้จักหยุดที่จะดินน้นรนทยานอยากให้มากเกินไปเอาพอสมควรถ้าดิ้นรนมากมันก็เหนื่อยมาก คิดมากมันก็ต้องทำมากเมื่อทำมากบางทีมันก็พูดมากมันก็เหนื่อยมากทุกมากนะฮะเราดิ้นรนทยาอยางไม่จบไม่สิ้นตรงนี้ทำเราต้องเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันจะไม่มีความสุขถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆไม่ฝืนกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินี่คือมันไม่เที่ยงไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้ ใช้วิธเรียบง่ายมันสอดคล้องกับธรรมชาติรู้จักยอมรับความจริงนะเนี่ยยอมรับความจริงเสียบ้างนะอยู่แบบสบายๆแบบเรียบง่ายเราจะมีความสุขมากขึ้นนะพอใจในที่เรามีอยู่เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันน่าจะพอใจเพราะาพอใจไม่ใช่ว่าเลิกสแสวงหาเอาละอันนี้พอใจละชีวิตเราดีละสบายละ และส่วนหาก็หาไปคืน อ, อีส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้พอใจนี่ยอยู่แบบมีความสุขละอพอใจละวันนี้เราใช้ชีวิตมาได้นี้ดีละพอใจเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่ว่ากันใหม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้นในท่ามกลางไอ้ความบกพร่องของโลกแบบเนี้ยเราทําอย่างนี้บ้างสินะหยุดที่จะไปต้องการสิ่งนู่นนี้อยากให้สิ่นูนเป็นอย่างนี้ดังใจเรา แล้วก็ดิ้นรนทยานอยากจนเกินไปจนเหน็ดเหนื่อยนะชะยุทธ์แบบเรียบง่ายให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติพอใจสิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยว่ามันจะมีความสุขมากขึ้น <c oughs> อ่ะฝั่งโอกาสให้ถามว้างดีกว่า <c oughs> อ้อเดี๋ยวถ้ายการมีมีวิดิทัศสักสิบนาทีนะ เ, เป็นวีทัศน์ที่ดูแลสบายๆมีเพลงฟังสบาย10นาทีเรื่องบันทึกความไม่ทุกข์ผู้ที่ทําคือคุณวีระเนี่ยช่างภาพเหรียญทองจากญี่ปุ่นมือเดียวนะถ่ายภาพออกแบวีดิทัศน์จะทําเป็นหนังสือเรื่องบันทึกความไม่ทุกข์แค่เป็นนั่นแหละเป็นตัวอย่างแค่สิบนาทีคงไม่เสียเวลาพวกเรามากกันเนาะเป็นการคลายเครียด ถามได้นะถามถามโดยหลักการงานของเราไม่กนการขายมีการรับเป้ารับตัวเลขต้องวางอย่างเงี้ยัลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไมครับจะเรียนถามอาจารย์ว่าโดยโดยลักษณะการทำงานของเรานะครับมันเป็นฝ่ายขายนะครับมีการรับเป้ารับตัวเลขนะครับมีการมนเหมือนก็ต้องดิ้นรนอ่ะต้องต้อง ้งเป้าหมายระหว่างทำมันก็ต้องมีทั้งตอบรับปฏิเสธแต่ปฏิเสธจะเยอะระวางเราจะใช้หลักการธรรมะในการทำจิตทำใจให้มีความสุขกับผลที่ได้และทำให้ถึงเป้าหมายยังไงอย่างเงี้ยคือคืออันนี้มันมันจะแยกแยะยังไงให้ทำแล้วมีความสุขแล้วก็ถึงตัวเลขจะไม่ได้ต่ำเป้าเราก็ยังยังยังอยู่ได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์ ไม่มีตัวเลขยังอยู่ได้เลยนะตาเป้าไม่มีเป้า อ, อยู่ได้เลยอ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะการมีความสุขกับการทํางานถ้างานที่เราทำํำเป็นงานสุจริตอยู่ข้างนอกเราจะแบ่งงานเป็นสองอย่างคืองานข้างนอกกับงานข้างในงานข้างนอกคืองานที่เราต้องทําไปเตอะถ้าเป็นงานสุจริตก็แนะนํ า, น า, นาให้ทําไปเลยทําไม่ดีที่สุดเลยตั้งใจทำ จากประสบการณ์จากความรู้ทําไปเตอะคุณจะเอาเป้าเท่าเท่าไหร่ทําไปเลยให้เต็มที่อยู่ข้างนอกนะโดยหน้าที่งานข้างในคือมีสติรักษาใจเป็นปกติเขาไว้ไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าอย่างงวแล้วใจต้องทะเยอทะยานและเป็นทุกข์กับมันมันจะได้ตามเป้าไหมเนาะไก่และปากถ้าไม่ได้ทํายังไงสองอันเลยข้างนอกก็ทําไปเตอะ เป้าขึ้นยังไงต่าไงไม่เป็นไรแต่ข้างในต้องยอมรับโอ้ธรรมดาธรรมดาวันนี้ได้แค่นี้นะปีนี้ได้เป้าแค่นี้เดี๋ยวต่อไปให้มันดีกว่า น, นี้ใจนี่ต้องรู้ทันสิ่งที่เราทําใครไป็ผู้ชักใ ย, ยใจต่างหากแต่ข้างนอกก็ทําให้เต็มที่เลยจากประสบการณ์ทำแต่ทำด้วยสติตั้งใจทําให้ดีที่สุดแต่ข้างในเนี่ยพร้อมปล่อยวางต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป้ามันไม่ถึงถ้าเป้ามันขาดก็ต้องยอมรับไปไงเนาะ ทุกอย่างนะ่ะเราสามารถทําได้หมดเลยข้างนอกโดยที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายเป็นงานสุจริตแต่ข้างในต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมเดี๋ยวปล่อยวางได้ต้องปล่อยวางไหมงานนี้พร้อมเลิกไหมหรืองานทาแบบไม่เลิกตลอดชีวิตตายไปแล้วต้องทําต่ออีกคือทุกอย่างเป็นสิ่งที่ของชั่วคราวทั้งนั้นอนะ่ะทําไม่เต็มที่เลยแต่ข้างในพร้อมปล่อยวางโดยการยอมรับความจริงว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าก็ได้อาจจะได้มากกว่าเป้าก็ได้ ถ้าได้แค่ไหนนั่นแหละถูกต้องได้แค่ไหนนั่นแหละถูกต้องยอมรับไปแล้วค่อยๆพัฒนางานไปเรื่อยๆงานต้องพัฒนาแต่ใจเนี่ยต้องพัฒนาโดยการให้รู้แจ้งว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้จริงหรอกในใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยึดมั่นถือมั่นพร้อมที่จะปล่อยวางแต่ข้างนอกต้องทําไปเข้าใจไหมเนี่ยงานมีสองอย่างคืองานข้างนอกทําให้เต็มที่งานข้างในคือต้องรู้จักยอมรับ และพร้อมทียจปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะพัฒนานก็พัฒนาไปนะอย่างเนี้ยถ้าเราได้มากใจเราก็อ๋อนี่มันได้มากถ้ามันได้ไม่มากใจเราก็ยอมรับอ๋อนี่มันได้ไม่มากก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรให้รู้ทันแล้วก็พัฒนากันไปงานข้างนอกนะทำไปเถอะแต่ข้างในต้องไม่ทุกข์ไว้ก่อนนะ นี่การปฏิบัติธรรมข้างนอกไม่ได้แต่ใจเป็นทุกข์เนี่ยข้างนอกไม่ได้แต่ใจไม่ทุกข์อันนี้คือปฏิบัติธรรมข้างนอกไม่ได้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมข้างนอกไม่ได้แต่ใจไม่ทุกข์เนี่ยปฏิบัติธรรมอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงจับกั่งนะฮะ อันนี้ก็ง่ายๆว่าจับกลางเนี่ยแบกทุกวันแบกพอพอเย็นเลิกงานก็เรียบร้อยสบายใจนะครับพรุ่งนี้ก็มปแบกต่อถ้าอย่างนี้ไม่ต้องคิดก็สบายใจนะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าสมมติว่าจับกลางคนเดียวกันเนี่ยนะครับไปนอนคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องแบกอีกแล้วพรุ่งนี้แบกหนักไหมพรุ่งนี้อะไรอีกโอ้โห <c oughs> oh, oh, คิดไปคิดมานะฮะเลยนอนไม่หลับทั้งคืนวิธีการเบรกไม่ให้คิดเนี่ยทำยังไงครับเพราะบางทีมันคิดไปคิดไปเรื่อยๆมันอยากคิดนะฮะ การเบรกแม่คิดเนี่ยมันคิดไหมไอตัวเบรกมีการคิดอีกมันคิดจบไปแล้วไอตัวห้ามแม่คิดเนี่ยมันมาทีหลังความคิดเกิดขึ้นเดียวๆแต่ตัวที่เข้าไปห้ามเนี่ยเป็นปัจจุบันใหม่ที่ไม่พอใจในความคิดเห็นไหมคิดแรกคือฟุ้งซ่านคิดที่สองรำคาญใจบังคับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเรื่องความคิดเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งยุ่ เมื่อเรากดลูกบอลลงไปในน้ามันก็จะเด้งขึ้นมานยอยากจำกับลืมยากลืมกับจำเนี่ยนี่ยอย่าไปห้ามความคิดอันดับแรกคือต้องไม่ต่อต้านความคิดไม่ห้ามความคิดไม่บังคับความคิดให้รู้ว่ามันคิดวิธีการฝึกถ้าไปดูมันเนี่ยคนมีสติไม่สติไม่ดีเนี่ยดูไม่ได้มันก็ดูแล้วไปคิดเมื่อไหร่มันจะเลิกคิดทีมันก็ไปคิดนะไม่ได้ดูคิดนะ เดี๋ยวแรกคือต้องอย่าไปบวบไปลบ ก, กับมันยอมรับซะอ๋อจิตมันคิดนี่แล้วก็อย่าไปสนใจกับมันนะอย่าไปสนใจโดยการเปลี่ยนมันคิดเกิดจากจิตใช่ไหมถ้าจะนอนไม่หลับนะั่นนอนพลิกมือเล่นนอนให้รู้สึกกับการพลิกมือมาสนใจที่การเคลื่อนไหวซะเห็นหจิตพลากจากความคิดมาอยู่กับสติกับการเคลื่อนไหว เห็นไหมเราไม่ไปยุ่งความคิดอยู่ตรงนี้ปั๊บเรามารู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนไหวเนี่ยจิตอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้ไปคิดต่อเนี่ยเดี๋ยวว่าคิดมันก็หายไปเองเหมือนยังกับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเหมือนกันแต่เราไปห้ามไปวุ่นวายเขาเนี่ยไปให้ความสําคัญมันหมายก็มันก็วุ่นวายในใจเราสิแต่เราไม่สนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนเซลลของมาขายอะถ้าเราไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้ า, าไปถามถ้าไปถามว่าขายอะไรเนี่ยก็ุ่นวายไปกับเซลล์ถ้าไม่รู้ไม่ใช่ไม่เอาละเราไม่สนใจนี่เซลล์ก็อยู่ไม่ได้เซลล์เหมือนความคิดนั่นแหละเอาขอมาขายถ้าเราไปต่อลราต่อเสียงประกันชีวิตเหรอเนี่ยเข้าทางประกันโอ้เราประกันมาหลายที่แล้วเน่เดี๋ยวเขาก็ผ่านไปใช่ไนหะเนี่ยความคิดเราเหมือนกั น, นแต่บางทีคนที่ไม่เคยไปฏิบัติทําอย่างนั้นไม่ได้เราใช้วิธีการเมื่อมันคิด ไหนๆจะคิดแล้วเนี่ยแล้วก็สร้างความคิดให้เป็นระบบสวดมนต์สิมาคิดสวดมนต์ใจแล้วมั้ยเอาน้ำใสไปอลไรน้าขุนสมเป็นกุศลนัน่งคิดเป็นสวดมนต์เดี๋ยวมันก็หลับหรือคิดมากมันไม่หลับเอาหนังสือมาอ่านนังสือนิยานนอนหลับดีมากเลยอ่านเดี๋ยวกล่อมก็หลับเองอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับมันมันยิ่งทําให้คิดหนักอย่าไปสนใจเลยพลาด ก, กิจโ ด, ดยการที่ อ่านหนังสือหรือเปลี่ยนยบทลุกขึ้นมาถ้านอนไม่หลับไปนอนคิดอยู่มันหงุดหงิดไม่หลับลุกขึ้นมาเลยไปดื่มน้ําเปิดหน้าต่างทำอะไรซะ <Yeah. S 1> ละลายพฤติกรรมของจิตเดี๋ยวมันก็หายคิดใ <Yeah. S 1> ช้วิธีการสวดมนต์แผ่เมตตาคนเจริญสติแล้วก็มีฝึกสติรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวหรือนอนดูลมหายใจอย่าไปสนใจกับมันอย่าให้ความสคำคัญมันหมายทั้งบวกทั้งลบไอเดียสียแล้วมันก็หายไปเจริญสติมากๆเถอะ มันจะกินเนื้อที่ของจิตความคิดเข้าแทรกไม่ได้หรอก Midwest> นอนหลับสบายทุกคืนมีใครถามอะไรไหมั้าถามอาจารย์ว่าเวลาเวลานั่งสมาธินี่มันจะคันคันจมูกก็ แต่เวลาเวลาไม่นั่งนี่คือจะไม่คันแต่ท่านอาจารย์เพราะอะไรเราตั้งใจเกินไปเราตั้งท่าตั้งใจจนเกินไปทำใม้ร่างกายมันแขร่งเลรียดนอะครับตอนหลังก็ผมก็เขาบอกว่ารู้รู้หนอรู้หนอคันหนอแล้วก็คือตอนหลังจะจะไม่เคยเป็นแล้อ๋อใช้ได้ก็มีสติแล้วไงมีสติอคันก็รู้ว่าคันในสติเกิดได้ปฏิบัติธรรมแล้วอย่าไปห้ามมันคันถ้ามันคันมเออไม่มีหรอกเ เราลืมตาเด๋ลืมตาแล้วอย่าอย่าไปหลับตาปีลืมตาสบายๆเด๋อมันก็จะไม่คันนี่พอเราตั้งใจทำอะไรนี่ปั๊บเราตั้งใจมากมันก็เลยเกร็งร่างกายเกร็งมันตั้งใจมันก็มีคันนู่มคันนี่เหมือนมดต่ายบ้างเลยก็อย่าไปสนใจพอะไรเลมาอ <c oughs> ่ใช่กิเลสมา <c oughs> เป็นเรื่องของร่างกายเราตั้งใจเกินไปทําสบายๆเห็นไหมพอตั้งใจทําอะไรตรงนั้นมันจะเกร็งไงอย่างเงี้ยคันไหมเนี่ย ไม่ก็ไม่คันเนี่เนี่ยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเราทําปั๊บมันจะคันเลยเราตั้งใจเกินไปมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาคนทันสมาธิต้องผ่านเนี้ยให้มีสติรู้นะคือการปฏิบัติคันก็รู้ว่าคันเกากได้รู้ว่าเกาแล้วก็รู้สึกตัวว่าเกาก็ใช้ได้ปฏิบัติทำเขาไม่ได้ห้ามคันไม่ได้ห้ามเกาคันก็เกาแล้วก็รู้ตัวก็ใช้ได้เน้นที่ความรู้สึกตัวนั่นแหละ ต้องถามทีเดียวจบแล้วฉายที่หลังมีถามได้เลยนะาถามให้จบ เ, เดี๋ยวก็ฉายสิบนาทีจะเร<อ>ียนถามอาจารย์ว่า อย่างกรณีที่คนที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยนะคะไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะแนะนําเริ่มต้นเบสิกยังไงดีคะที่จะแบบเป็นพื้นที่แกไม่เคยฝึกมาก่อนเนี้อค่ะธรรมดาคนเราเนี่ยมันก็มีสมาธิโดยธรรมชาติอยู่แล้วสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอารมณ์ด่าอารมณ์หนึ่งขณะเราดูทีวีมันก็เป็นสมาธิขณะกวาดบ้านก็เป็นสมาธินะ ถ้าเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็คือสมาธิการฝึกนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกๆจากชีวิตประจวันเลยการวาดรูปนี่ก็เป็นสมาธิการเดินก็มีสมาธิดังั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเราทำสิ่งนี้นไม่ได้หรอกแต่การฝึกในรูปแบบนี่เราต้องให้คนนั่งในท่าสบายๆคุณแม่ต้องนั่งห้อยขานั่งบงโต๊ะนี่นั่งสบายๆนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต ไม่เกี่ยวกับท่าทาง <Yeah. S 1> เราจะทำไงให้จิตมันตั้งมัน่น <Yeah. S 1> อาจจะใช้วิธีการมีคาบริกรรมก็ได้หลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้แล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นสมาธิเอาจิตจดจ่อที่พุทโธคนที่ใช้บริกรรมนะพุทโธพุทโธเอาจิตอยู่กับพุทโธไว้คือตั้งมั่นอยู่าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรือคนไม่ถนัดพูดโธไม่มีศาสนาก็นับก็ได้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองใช้การนับก็ได้เอาจิตตั้งมั่นอยู่ ก, การนับเป็นหนึ่งก็คือสมาธินหรือเราจะใช้วิธีการยุคหนอฟองหนอให้ได้ให้จิตตั้งมั่นอยู่อารมณ์แดนลมหนึ่งซึ่งสือสมาธิเนี่ยต้องทำใจให้สบายบายนะ ไม่ใช่ไปบังคับนีสมาธิไม่ใช่บังคับให้รู้อย่างสบายๆนั่งสบายๆรู้เรื่องสบายๆนะสมาธิจะเกิดถ้าไปบังคับไปกดข่มเนี่ยสมาธิไม่เกิดต้องสบายๆนั่งห้อยขาสบายๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะไม่มีการบังคับนะมันหลงลืมไปก็กลับมารู้ใหม่ หลงไป ก, ก็กลับมารู้ใหม่ก็เนี้ยทำให้จิตไม่ชินตั้งมั่นอย่างนี้เดี๋ยไม่ชา้า จ, จิตก็สงบเป็นสมาธินะสมาธิไม่เกี่ยวกับท่าทางไม่เกี่ยวกับการเดินไม่เกี่ยวกับการนั่งไม่เกี่ยวกับการนอนอันนั้นเป็นแค่รูปแบบที่อาศัยที่สําคัญคือ จ, จิตที่ตั้งมั่นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละคือสมาธิเนี่ยการวาดรูปการกวาดพื้น ก็คือสมาธนะิขอบคุณครับ